เดี๋ยวนี้นี่อะไรอะไรก็ออนไลน์นะหาง่ายหาสะดวกเทศก็มีในออนไลน์เยอะแยะเลยมันก็มีง่ายสำหรับธรรมะที่เราจะเข้าถึงมันก็ไม่เหมือนสมัยก่อนนั่นแหละสมัยก่อน กว่าจะได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ทีหนึ่งก็ต้องดันด้นเข้ารกเข้าพงเข้าป่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีป่าแล้วครูบาอาจารย์ก็มีวัดสร้างวัดทางไปก็สะดวกสบายก็พัฒนาความเจริญมาเรื่อยแหละแต่สมัยนี้มี อินเทอร์เน็ตโลกมันก็แคบลงอีกไม่ต้องเดินทางอะไรอะไรก็ลงมาอยู่ในโซเชียลมดมันก็สะดวกเหมือนกันสะดวกในการสร้างความดีสะดวกที่จะหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองแต่มันสะดวกเนี่ยสะดวกท ร, รมากก็จริง แต่มันก็สะดวกกับกิเลสมากขึ้นด้วยมันก็ทำให้เราเพลิดเพลินไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพลิดเพลินไปในกลามได้มากขึ้นด้วยเหมือนกันเพราะความสะดวกอย่างสมัยก่อนอยากจะดูละครก็ต้องคอยเขามาแสดงให้ดูหรือจะ ดูละครก็ต้องรอวันที่เขาฉายวันนั้นวันนี้เวลานั้นเวลานี้ในสมัยนี้นี่มีดูย้อนหลังได้อยากดูกี่ตอนติด ก, กันเนี้ยดูสบายเลยจะดูค่าตอน10ตอนก็ได้อย่างสมัยก่อนพลาดแล้วพลาดเลยไม่มีมารีลันเหมือนสมัยนี้ด้วย โทรทัศน์ก็มารีลานอยู่ในอินเทอร์เน็ตก็รีลานดูได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเวลาไหนก็ดูได้มันก็ทําให้เห็นว่ามันก็สะดวกไม่ใช่เฉพาะแต่ธรรมะมันก็สะดวกกับกิเลสเหมือนกันทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วละ่ะว่าเราจะเลือกใช้อย่างไง เราจะมีกําลังใจที่เราจะเลือกใช้ไปในทางธรรมะไหมหรือว่าเราจะโดนกิเลสมันชักจูงให้เราเพลิดเพลินไปในกามเหมือนแบบที่แล้วแล้วมาแต่เรายังเพลิดเพลินยินดีอยู่ในกามอยู่เนี่ยยังไงก็มองไม่เห็นตามความเป็นจริงยังไงก็ยังต้องโดนขังเอาไว้ในวัตฏะนี้อยู่ต่อไป แต่กันที่เรามาพิจารณาให้เห็นโทษของกามมีความคิดที่เจะหลีกออกจากกามไม่คิดพยาบาทไม่คิดปิดเบียนมันก็เป็นเบื้องต้นเป็นแนวทางที่ดีที่เราจะได้มุ่งหน้าบนเส้นทางที่เราจะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ เราก็ใช้เวลาของเราไปหนึ่งวันหนึ่งวันก็หมดไปหมดไปเมื่อวานก็หมดไปวันหนึ่งเดี๋ยววันนี้ก็หมดไปอีกวันหนึ่งใกล้จะหมดวันละเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยมันก็จะใช้เวลาไม่ค่อยต่างจากวันนี้เท่าไหร่ล่ะ ว, วันนี้ใช้แบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้กิจกรรมมันก็คล้ายๆเดิมเวลาว่างก็ลักษณะเดิมทีนี้ เวลาที่เราจะเลือกใช้แน่นอนแหละมันก็คล้ายๆเดิมแต่เรายังเจดเวลาเวลาว่างของเราเนี่ยเรายังเจดให้กับกิเลสยังเจบให้กับความเพลินยินดีในกามมันก็ไปแบบนั้นแหละไปตามเรื่องตามราวของกิเลสไปนอกจากเราจะมีความ อดทนอดกลั้นมีสติที่เห็นว่าใจเราเนี่ยมันกาลังจะเลือกเลือกเสพไปในทางกามไหมถ้าเราเห็นแล้วเราก็ย้อนกลับมามีสติอยู่กับลมหายใจเป็นเบื้องต้นเสียก่อนพอเรามีสติอยู่กับลมหายใจได้เราก็ได้ย้อนใจเราได้ย้อนใจจากการที่ ดนฉุดกระชากกิเลสมันก็ชุดกระชากให้เราไปเปลีนในกาบนี่แหละพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราได้ย้อนใจกลับมาไว้ที่ลมหายใจมันก็ขึ้นชื่อว่าเราได้ได้หยุดได้พักได้หลบได้เลี่ยงจากอำนาจของของกามที่มันจะผูกรักรึงที่มันจะคอยไปย้ำยาลากถูเราให้มัน ไปบนเส้นทางความเพลิดเพลินยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะฉะนั้นสติก็จึงเป็นเครื่องมือจำเป็นน่ะเป็นเครื่องมือชิ้นแรกที่จะทำให้ให้เราได้เปิดประตูสู้กันให้เราได้มีโอกาสเปิดประตูโอกาสที่เราจะได้สู้กับกิเลส เพรันการฝึกสติก็จึงเป็นเรื่องสาคัญเพราะว่าสติมีสัมมาสติเกิดขึ้นเมื่อไหร่ประตูโอกาสที่เราจะได้สู้กับกิเลสมันก็เปิดขึ้นตอนนั้นแหละแต่ถ้าเราไม่ได้พยายามทำให้สัมมาสติของเรามันเกิดขึ้นบ่อยๆแน่นอนเลยว่าปิดประตูสู้ไปได้ มันก็เอาเราเข้าไปขังขังอยู่ในห้องนั่นแหละห้องอะไรห้องที่เรียกว่าวตฏนี้ห้องที่เรียกว่าความเพลิดเพลินยินดีมีอยู่ในกาล น, นี้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องฝึกสติซะก่อนฝึกสติก็เหมือนเราสร้างประตูโอกาสนี่แหละ สร้างประตูโอกาสที่เราจะเบิกทางออกมาเบี่ยงจากทางเส้นเก่ามาหาทางเส้นใหม่ทางที่จะนำเราไปสู่ความพ้นทุกข์ทางที่นำไปสู่ความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริงเพื่อที่จะทําให้เราไม่เพลิดเพลินหลงยึด ต, ติดอยู่ในกามเพื่อที่จะทําให้เราเห็นโทษของกาม เราก็จะได้ได้มีเส้นทางที่เราจะหลุดพ้นออกจากห้องขังอันนี้แต่การที่เรามีสติอย่างเดียวเนี่ยเพียงพอไหมก็ต้องบอกว่ายังไม่เพียงพอนะสติมันเหมือนเป็นประตูโอกาสของเราใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่เปิดประตูเราไม่ก้าวเดินไปเนี่ย มันก็ยังไม่ได้ออกจากห้องขังยังไม่ได้ออกไปสู่ทางเส้นใหม่เพราะฉะนั้นการที่เรามีสติระลึกรู้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องมีต่อไปคืออะไรก็คือการลงมือทํเนี่ยมีความเพียรที่จะลงมือทาลงมือทาก็คือย้อนใจเรากลับมาไว้ที่ลมหายใจ ลงมือสู้กับมันก็คือมันจะดึงใจของเราออกไปดึงใจของเราออกไปให้เราเปิดเพลินมีความหลงผิดมีความเพลินอยู่ในการามพอมันดึงเราไปอย่างนั้นได้เนี่ยมันก็ขึ้นชั่ ม, มันได้ปิดประตูปิดประตูที่เราจะออกจากห้องใช่ไหมสติที่เป็นสัมมาสติก็หมดไป ก็กลายเป็นมิจฉาสติที่รึกรู้เนี่ยพอรู้แล้วก็รู้ไปเพื่ออะไรเป็นไปเพื่อความกำหนัดยินดีเป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นมองเห็นว่านั้นเป็นเรานี่เป็นเขาอันนั้นเป็นตัวของเรานี่เป็นตัวของเราเห็นว่ามันเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเห็นว่ามันดีมันงามเป็นของที่มีสาระแก่นสาร แต่ถ้าเราได้ขยันที่จะสร้างประตูคือสัมมาสติอันนี้ให้ได้บ่อยๆเราก็จะมีช่องออกนั่นแหละมีช่องออกมันปิดประตูบานนี้ไปแล้ว mm. ก็คือทำให้เราหลงเพลิดเพลินไปอยู่ในสัญญาอารมณ์ให้มีความเพลิดเพลินไปในทางกามเราก็สร้างประตูคือสติของเราสัมมาสติของเรา เราก็สร้างบ้านใหม่ขึ้นมาอีกเพืที่เราจะพยายามวิ่งไปที่ประตูแล้วก็เปิดประตูหนีออกไปจากห้องนี้ให้ได้นี้ออกไปจากห้องขังอันนี้ให้ได้การที่เราจะสร้างประตูโอกาสได้เร็วเนี่ยมันก็ต้องเหมือนช่างเ่ยช่างที่เขาผ่านการทํางานมากๆเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์ พอมีประสบการณ์แล้วเนี่ยทำงานยากๆ ก, ก็ใช้เวลาน้อยลงและเปรียบเทียบกับพวกมือใหม่พวกมือใหม่กว่าจะได้งานสักชิ้นหนึ่งก็เลือดตาแทบกระเด็นใช้เวลานานแถมงานก็ไม่ดีไม่สวยไม่ประณีตแต่พอได้หัดทาบ่อยๆหัดทาบ่อยๆมีความชนานาญงานที่เคยทำใช้เวลามากก็ใช้เวลาน้อยลง จากงานที่ไม่ประณีก็ทำเป็นงานที่มันประนีมากขึ้นเพราะนั้นสติมันก็เหมือนกันมันก็ต้องผ่านการฝึกฝนผ่านการอบรมที่จะทำให้มันเกิดมีให้ได้บ่อยๆให้มันเป็นสัมมาสติให้มันได้บ่อยๆเราก็ย้อนใจของเราเนี่ยแหละมาฝึก รู้อยู่กับเครื่องฝึกของเราคือลมหายใจหรืออยู่กับคำบริกรรมพุทโทธที่จำเพาะหน้าเวลาที่เราอยู่กับสติอยู่กับลมหายใจอยู่กับคำบริกรรมได้อย่างดีใจเรามันก็ได้โดนปรับสภาพให้มันมีอารมณ์ที่มันสงบประงับลงไป สงบประงับจากสัญญาอารมณ์เก่าๆสงบประงับจากเรื่องวุ่นวายเก่าๆย้อนกลับมาตั้งมัน่นมีความสนใจมีอารมณ์ที่มันแน่วแน่เป็นหนึ่งอยู่กับลมหายใจและคำบริกรรมพอเรามีความสงบมีความตั้งมัน่นมันก็เหมือนกับเราได้เปิดประตู บ้านนี้ออกไปได้เห็นได้เห็นข้างนอกเห็นโลกข้างนอกแต่เรายังไม่ได้ออกไปนะแต่เราได้เห็นโลกข้างนอกแล้วว่าโลกข้างนอกมันเป็นยังไงมันสวยงามมันกว้างขวางอากาศก็ดีกว่าไม่อุดอูม้มันจึงทําให้ เราเนี่ยได้เปรียบเทียบแล้วว่าในลักษณะที่เรายังอยู่ในห้องไม่เคยเปิดประตูออกมาเลยเนี่ยมันก็แบบหนึ่งมันอาจจะมีความเลิดเลินอยู่ในฟ a c ิลิตี้ของห้องที่มันดีมาประนีตระดับหนึ่งซึ่งเราก็คิดว่ามันก็ดีอ่ะดีอยู่แล้ว แต่พอเราได้เปิดประตูออกไปได้เห็นข้างนอกเ ห, นอเห็นทุ่งหญ้าเห็นท้องฟ้าเห็นแม่น้ำลำทานอากาศที่สดชื่นเราก็ได้เปรียบเทียบนะว่ามันเป็นอย่างไรมันมีความแตกต่างกันอย่างไร มันมีความกว้างขวางความสะดวกสบายกว้างขวางออกไปอีกจากโลกที่เราไม่เคยพิจารณาที่จะออกไปเลยเราก็รู้สึกว่ามันดีแล้วใหญ่โตแล้วแต่พอเราได้เปิดออกไปเราก็จะเห็นโลกที่มันกว้างขวางเนี่ย ความสุขที่เรามีมันก็มีได้หลายแบบมันก็กว้างขวางขึ้นมันก็ไม่ใช่ว่าจะคับแคบอยู่แต่เฉพาะในห้องเราได้ออกไปข้างนอกเราได้มีกิจกรรมต่างๆข้างนอกมันก็มีความสุขไปอีกแบบหนึง่งจะไปเล่นน้ำ จะไปปีนเขาอะไรก็ได้ในห้องมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นความสุขจากกามเนี่ยมันคับแคบเราจะได้เห็นว่าความสุขจากกามเนี่ยมันคับแคบความสุขที่เราได้จากการสงบระงับกามลงไปสงบระงับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสลงไปมีความสงบเกิดขึ้น แต่ในภายในมีความสุขอันละเอียดเกิดขึ้นแต่ในภายในจิตใจของเราเราจึงได้เข้าใจว่าความสุขชนิดนี้มันดีกว่ามันละเอียดประณีกว่าและมันก็ไม่ต้องวุ่นวายในการหาหาก็ง่ายไม่ต้องมีเงื่อนไขในการหาที่มันซับซ้อนแต่ความสุขทางการที่มี มันเงื่อนไขมันก็ซับซ้อนไปเรื่อยละยิ่งถ้าเราต้องการความประนีน่มันก็ยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกแต่ความสุขที่เราได้จากการเข้าสมาธิมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรก็แค่คใจเราย้อนกลับมาไว้ที่ลมหายใจย้อนกลับมาที่บทปริกรรมที่อยู่เฉพาะหน้าเรานี่แหละ ก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะก็แค่มีใจย้อนกลับมาไว้ที่ตรงนี้ที่เฉพาะหน้าตรงนี้แต่ย้อนแล้วเนี่ยก็ต้องย้อนให้มันจริงจังนะหมายความว่าเราไม่ปล่อยให้ใจของเราเนี่ยกระแสะใจของเรามันไหลออกไปในเรื่องอื่นแม้แต่ในความสงบ ที่มันเกิดขึ้นอยู่ภายในเนี่ยเราก็ไม่สนใจออกไปเราก็ตั้งสติมีความตั้งใจอยู่กับสติเครื่องระลึก ข, ของเราที่จำเพาะหน้านี่แหละเวลาเราเห็นแล้วเนี่ยโลกข้างนอกโลกภายนอกเป็นยังไงเราก็ แน่นอนแหละเราก็ต้องก้าวขาออกมาจากประตูด้วยนะทีนี้การก้าวขาออกมาเนี่ยมันก็มันต้องหลายอย่างละใช่ไหมทั้งตาดูทั้งขาก้าวไปเพราะฉะนั้นธรรมะที่เราจะต้องใช้เนี่ยมันก็เทียบเคียงกันโหมันก็ต้องหลายตัวนะ ไม่ว่าจะเป็นความเพียรไม่ว่าจะเป็นศรัทธาไม่ว่าจะเป็นการใคร่ครวญพินิจพิจรารณาที่มันเป็นปัญญาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องหมั่นทำบ่อยๆต้องหมั่นที่จะฝึกเรื่อยๆฝึกเนืองเนือง แต่แน่นอ น, นละมันก็ไม่ได้อยู่ข้างนอกได้อยู่ตลอด น, นละมันก็เข้ามาข้างในห้องบ้างออกไปข้างนอกบ้างมันก็เป็นอย่างนี้ไปเป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราก็ต้องค่อยๆพยายามเห็นโทษของกรรมให้มันได้มากขึ้นมากขึ้นนะ พยายามเห็นโทษมันพิจารณามันบ่อยๆเพื่อที่จะประคองตัวให้อยู่ในสังคมโลกใบนี้ให้แบบไม่เสียหลักนะกิเลสมันก็ทำหน้าที่ของมันนั่นแหละมันก็พยายามจะดึงเราให้ย้อนกลับมาย้อนกลับมาอยู่ในวัตตะอันนี้ให้ได้ มันก็เป็นหน้าที่ของเราเนี่ยผู้ที่อยากจะหลุดออกจากวัตตะอันนี้ก็ต้องรู้เท่าทันรู้เท่าทันกิเลสมันก็จัดไม่ยั้งแหละยกตัวอย่างอย่างในกรณีที่เราใช้ชีวิตประจาวันอย่างนี้แหละไม่ว่าจะเป็นทีวีไม่ว่าจะเป็นการพบปะผู้คน มันก็ทำงานอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นทำให้เราเห็นว่ามันมีสาระเกี่ยนสารให้เราเป็นจริงเป็นจังกับมันนะหรือไม่ก็ให้เราเห็นว่ามันมันเป็นเครของสวยของงามเป็นคนสวยเป็นคนงามเป็นคนหลอ่อ จะพยายามชักจูงให้เรามีความเข้าใจตามตามในแบบกิเลสพาไปเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะให้เราได้หลงได้มีความรู้ผิดเพื่อที่จะกลับไปหลงอีกทีหนึ่งกลับเข้าไปอยู่ในวัตตะที่ความหลงมันบดบังความรู้คือวิชาที่เรารู้แล้วเนี่ยว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาหรือไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีแต่เป็นของปฏิกูลโสโครไม่ใช่เป็นสิ่งที่สวยงามอะไรเท่าไหร่แต่แน่นอนว่าในระหว่างวันเนี่ยมันก็ต้องพยายามทําหน้าที่ของมัน พยายามทาให้เราเห็นว่ามันเป็นของสวยงามพยายามให้เราเห็นว่าเป็นเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลพยายามให้เราเห็นคล้อยตามว่าความสุขในทางการ ม, มันดีพยายามให้เราเห็นถึงความสุขทางการ ม, มันดีแล้วก็ให้เราเพลินอยู่นานๆให้เราหลงเพลินไปกับความสุขทางการ นานๆยิ่งนานเท่าไหร่มันยิ่งชอบเลยสติก็จึงเป็นหน่วยทุลวงฟันออกมานะ่สมมสติก็จะเป็นด่านหน้าเป็นหัวหมูทุลวงฟันนำพาธรรมะนำพากองทัพธรรมที่จะฝ่าด่านออกมาแต่การที่จะมีสติ แล้วจะฝาด่านออกมาได้เนี่ยมีสติอย่างเดียวยังไม่ได้มันก็ต้องมีกองหนุนก็คือความสงบสมาธิที่จะเป็นกองหนุนด้วยและเป็นกองหนุนที่มันมีกำลังก็คือเรามีไพรพลมากกันที่เรามีสมาธิมีกำลังความสงบที่มาก ก็เปรียบเหมือนเรามีพร่พนมากกองทัพของเราก็ใหญ่กองทัพของเราก็ไม่ใช่ว่ากองทัพเล็กๆกระจอกระจกแล้วแต่ถ้ากองทัพเราเนี่ยมีอาวุธที่มันไม่ทันสมัยยกตัวอย่างอย่างสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ใช้ใช้ดาบใช้หอกใช่ไหมพอเริ่มที่จะมีพัฒนาการอยากจะตีเมือง สร้างกำแพงเมืองแล้วนี่ตีเมืองก็ลำบากเขาก็ไปผลิตเครื่องโยนหินบ้างไปผลิตเครื่องที่จะเอาไว้มาคอยกระทุ้งประตูเมืองให้มันแตกเพื่อที่จะเข้าฝ่าเข้าไปมันก็ต้องให้มันพอฟัดพอเวียงกันอะไรแต่สมัยนี้ถ้าเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนใช้ดาบใช้หอก<ม>ใช่ไหม ถ้าจะเอาดาบเอาหอกมาสู้กันน่สู้กับนักรบสมัยนี้ละบากนักรบสมัยนี้เทคโนโลยีดีกว่าเยอะไม่ว่าจะเป็นปืนไม่ว่าจะเป็นรถถังเครื่องบินกองทัพสมัยก่อนอยังไงยังไงก็สู้กองทัพสมัยนี้ไม่ได้แน่นอนถ้าจะามารบกันนะยิงถ้าเป็นตอนกลางคืนอย่างเงี้ย อย่างนี้เาก็มีกล้องอินฟราเรดดูกลางคืนก็ได้ไม่ต้องรออะไรมากแค่กลางคืนแล้วก็ลงไปทะล่มเนี่ยกองทัพสมัยก่อนสู้ไม่ได้แน่นอนเพราะมองอะไรไม่เห็นชั้นใดชั้นนั้นนะก็คือใครมีอาวุธที่มันทันสมัยพอที่จะนำคู่ต่อสู้ไปคนนั้นก็ได้เปรียบ แต่อาวุธของกิเลสเนี่ยมันทันสมัยเสมอสำหรับผู้ที่ไม่ได้ฝึกหัดปฏิบัติอาวุธของมันจะทันสมัยอยู่ตลอดเวลาอาวุธของมันจะล้ำยุคตลอดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาอาวุธของเราเอาไว้สู้กับมันแต่หน่วยผลิตอาวุธของเราเนี่ยก็คือ การไตร่ตรองพินิษพิจารณาจนได้อาวุธที่เรียกว่าปัญญานี่แหละอาวุธที่เรียกว่าปัญญาก็จะเอาไว้สู้กับกิเลสปัญญาที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงในสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นคนที่ฝึกหัปฏิบัติ อย่างดีดีเยี่ยมเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นก็จะมีอาวุธที่เกรียงไกรรบตีกี่ทีกี่ทีก็กิกเลสสู้ไม่ได้เพราะว่าเป็นอาวุธชเลิ่นอาวุธที่รบยังไงก็รู้เท่าทันแล้วก็ชนะข่าศึก ได้อย่างง่ายดายอันนี้ก็แบบสัมมาสัมพุท ธ, ธะแต่เราก็ไม่จําเป็นจะต้องมีอาวุธที่มันละเอียดประณีตถึงขนาดเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะก็ได้เราก็มีพอจําเป็นที่จะเอาไว้ชนะกิเลสนั่นแหละแต่อาวุธเนี่ยมันก็ลักษณะเดียวกันนั่นแหละ เพราะฉะนั้นเราก็พยายามผลิตอาวุธพยายามสร้างโรงงานผลิตอาวุธที่จะเอามาไว้ไว้ใช้ต่อสู้กับหมู่มารกิเลสเราก็ต้องตั้งโรงงานด้วยตั้งโรงงานที่จะผลิตอาวุธที่เรียกว่าการใคล้ครวญปีนี้พิจารณา จนได้ความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริงถ้าเราได้ผลจากการใกล้ค ร, ครวนพินิษพิจารณาคือความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยหัวกิเลสมันสู้อาวุธนี้ไม่ได้แน่นอนแล้วเราก็จะเอาอาวุธที่เรามีนั่นแหละตะลุยไปตลุยไปอย่างเรามีอาวุธ ที่เรียกว่าอสุภะเป็นต้นเราก็สา ม, มารถที่จะชนะใ้ความเห็นที่ว่าอันนี้เป็นของสวยของงามก็อเอาชนะกามได้นั่นแหละแต่อวุธที่เรียกว่าอสุภะเนี่ยมันมีพลานุภาพพอไหมก็อตอบว่า มันยังมีพลานุภาพไม่พอนะเพราะว่าศัตรูที่เป็นหน่วยหัวหน้าของมันเยที่เรียกว่าความไม่รู้ความไม่รู้ตามความเป็นจริงมันก็ยังมีอาวุธที่มันเจ๋งกว่า มีอาวุธที่เรียกว่าโมหะที่ว่าจะมาสู้กับเราเราอาจจะชนะศัตรูตัวน้อยได้ศัตรูขนาดกลางกลางได้เราก็ต้องพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นไปอีกพัฒนาอาวุธที่เรียกว่าความรู้เท่าทัน ก็คือสติที่มันมีกําลังบวกกับอาวุธคือความรู้เท่าทันว่า น, นี่คือทุกข์ว่า น, นี่คือเหตุเกิดทุกข์พอเราเท่าทันแล้วเนี่ยเราก็จะเท่าทันความหลงไปด้วยพอเราเท่าทันความหลงได้มันก็สู้แบบพอฟัดพอเหวี่ยงกันแหละ พอกำลังสติเราดีแล้วก็ฝ่าด่านความหลงเข้าไปสุดท้ายก็ไปเจอนี่เยเจอต่อมันเจอต่อที่เรียกว่าความไม่รู้นี่แหละต่อที่มันทำให้เรายึดเราถือถือเอาไว้ยึดเอาไว้ พอเราโค้นในความไม่รู้นี้ลงไปได้เราก็สบายแหละไม่ว่าจะมาตัวไหนตัวไหนเราก็สู้ได้อาวุธที่เรามีเราก็เป็นอาวุธที่พร้อมใช้พร้อมใช้สู้กับศัตรูไม่ว่าจะแบบไหนลักษณะใดก็ต้องคอยฝึกแบบนี้แหละฝึกไปเรื่อยๆเข้าสมาธิด้วย พิจารณาด้วยก็พยายามทำให้มันกลมกล่อมกับวิถีชีวิตของเราจังหวะไหนควรพักก็พักจังหวะไหนควรรบ ก, ก็บรบ ก, ก็ต้องพยายามฝึกเนี่ยฝึกให้มันชำนาญต่อไป